อันนี้ที่เราทําตอนสงครามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบชอบสงครามนะเรื่องนี้มันแสดงเห็นอะไรรู้ไหมผมมองว่าสงครามะเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากมคือเรื่องชีวิตมนุษย์อะสิ้นเปลืองอยู่แล้วแต่การพยายามสร้างอุปกรณ์สุดไฮเทคพวกนี้ขึ้นมาโอเคมันน่าทึ่งก็จริงแต่สุดท้ายมันเหมือนถูกสร้างมาพังเหมือนกันนะอืคือสุดท้ายของพวกเนี้ยมันไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็วางไว้โอ้ะเจ๋งจังเลยมันกลายเป็นของที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องพัง เพราะการทำสงครามมันมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งแต่ก็น่าเศร้าไปพร้อมๆกัน You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. ได้ด ใ, ในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว เห็นในหนังฮีโร่หลายเรื่องนะคะแบบว่ายานแม่พรางตัวอย่างแนบเนียนอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าอยู่บนโออกาศเนี่ยจริงๆแล้วมันทําได้จริงๆนะคะมีเทคโนโลยีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในเครื่องบินลบทิ้งระเบิดซึ่งวันนี้ฟิสิกส์สามารถอธิบายได้ว่ามันพรางตัวยังไงมันล่องหนได้ยังไงนะคะวันนี้มาคุยกันในใดในโลกลนฟิสิกส์อยู่กับฟางรัฐโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจวารงจันทมาศครับเราพูดกันถึงเครื่องบินแบบล่องหนนะคะพี่ปองแปงคําว่าล่องหนนี่มันล่องหนจากอะไร คืองบินรบล่องหนเนี่ยภาษาอังกฤษอาจจะใช้คําว่า stealth technology เนาะซึ่งล่องหนจากอะไรเดี๋ยวเราว่ากันแต่ว่าอยากอยากขอชวนคิดในแง่ภาพรวมกว้างๆ ก, ก่อนว่าสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายอืแต่ในการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายเนี่ยมันก็ขับเคี่ยวและมันจะต้องใช้ความคิดบางอย่างมาเพื่อห้ามหันน่ะนะแต่ทีนี้ระบบบางอย่างที่คล้ายสงครามเนี่ยผมชวนไปคิดถึงว่าอย่างนี้ สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่าใช่ป่ะตัวผู้ล่าเองเนี่ยก็วิวัฒนาการมาเพื่อให้ล่าได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นตัวกวางหรือสิ่งมีชีวิตสัตว์กินพืชที่ถูกล่าก็จะวิวัฒนาการเพื่อให้มันหลบหลีกได้เก่งขึง้นเก่งขึ้นหนึ่งในความเก่งของผู้ถูกล่าหรือการหลบหลีกก็คือการพรางตัวไม่ให้ผู้ถูกล่าเนี่ยมันเห็นได้ง่ายนะครับซึ่งสัตว์ตา่างๆเนี่ยบางทีมันก็จะมี ลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะเวลายือนอยู่ในป่าต้นไม้อะไรมันก็จะพรางตาใช่ไหมจะ ม, มีอยู่อย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างคล้ายกันมากในสิ่งมีชีวิตหลายอย่าง<ะ>คืออะไรรู้ไหมคือท้องมันน่ะน้องฟางเคยสังเกตไหมท้องของสัตว์หลายชนิดอะ ม, มันมักจะขาวกว่ากว่าหลังมันออเออตัวอะไรบ้างเยอะแยะเลยตัวอะไรบ้างหมาจับมันหงายดูอะ ก็เก่าเล่นสีของสีของคนที่ท้องพุงมันจะอสีอ่อนนะใช่ป่ะหลายหลายชนิดเลยกวางอย่างเงี้ยกวางเนี้ยก็พุงมันจะสีอ่อนอซึ่งพุงเป็นจุดอ่อนจริงๆทั้งตัวมันเป็นจุดอ่อนถ้าโดนโรงเล็บนะครับแต่การที่สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้สัตว์หลายชนิดเนี่ยพุงมันสีอ่อนเนี่ยเพราะว่าพอมองจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยพุงมันเจอท้องฟ้าหรืออะไรแบบเนี้ยถ้ามันหากินกลางวันนะอ่ะมันก็จะกลืนไปกับท้องฟ้าที่สีมันอ่อนมีเมฆมีอะไร แต่ว่ามองจากด้านบนลงมามันก็จะเข้มกลืนไปกับไปกับดินใช่ใช่วิัฒนาการหลายๆอย่างก็ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับแต่ e a l t ส t เทคโนโลย y เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่ามันล้ำมากและมันไม่ได้ใช้กับเครื่องบินรบอย่างเดียวนะมันมี e a l t ส t เทคโนโลย y ที่ใช้กับพวกรถถังก็มีเรือรบก็มีอ่าก็คือเป็นเทคโนโลยีล่องหนที่ใช้กับอย่างอื่นด้วยนะครับแต่น้องฟางถามว่า มันล่องหนจากอะไรใช่ไหมคือส่วนใหญ่แล้วคำว่า stealth technology เนี่ยเราจะใช้กับการล่องหนจากเรดาร์แล้วก็การล่องหนจากเครื่องตัวจับอินฟราเรดแปลว่าด้วยตาถ้าถ้าเมื่อกี้ยกตัวอย่างแบบสัตว์หรือว่าตัวอะไรที่มันพังตัวมันเองเนี่ย คือด้วยตามันก็อาจจะมีทั้งการเปลี่ยนสีหรือว่าการพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วตัวเครื่องบินเนี่ยด้วยตามันจําเป็นต้องพรางตัวด้วยรูปร่างหรือรูปทรงด้วยไหมคะนอกจากเรื่องเรดาร์จริงๆเครื่องบินรบเนี่ยพอมันเร็วมากๆหรือความเร็วเหนือเสียงนะครับการมองเห็นมันไม่ทันแล้วอะ่ะ ม, มันก็มักจะตรวจจับด้วยเรดาร์ที่ปล่อยคลืน่นเรดาร์ออกไปแล้วไปสะทอ้อนแล้วกลับมาอย่างเงี้ย ม, มันก็จะเห็นได้เร็วกว่ามันมันเน้นตรงนั้นมากกว่านะคือพอเครื่องบินรบมาอยู่บนหัวเราอ่ะ มันไม่ทันละมองเห็นอ๋อนี่อยู่นี่ละมันด้วยตาไม่ไม่ได้สําคัญขนาดนี้ไม่ไม่เท่ากับเรื่องการหลบลีกเรดาร์กับกับอินฟราเรดซึ่งเรดาร์เนี่ยก็คือคลื่นไมโครเวฟบ้างวิทยุบ้างนะฮะปล่อยออกไปแล้วมันก็ไปสะท้อนที่ผิวค่ะคําถามคือเครื่องบินรบที่เป็นสเตลส์เนี่ยเราหลบลีกการตรวจจับด้วยเรดาร์ยังไงอหลบได้ยังไงทั้งทังที่เรดาร์พวกนี้ก็ตรวจจับอะไรก็เจอหมด ห้าหลักๆมี2วิธีะนะครับหนึ่งก็คือก็ใช้วัสดุที่มันดูดเรดาร์สิ<อ>คือปกติเวลาเรามองเห็นเนี่ยเราก็มองเห็นด้วยแสงใช่ไหมดวงตาเราตอบสนองต่อแสงค่ะวัตถุอย่างโตะเนี่ยแสงมันตกกระทบแล้วมันก็เข้าตาเราแล้วก็มองเห็นแต่ว่าถ้ามันดูดกลืนแสงมากๆเนี่ยมันก็จะมืดๆถึมๆแล้วก็ไม่ค่อยเห็นมันตะคุ่ ม, มตะคุ่มใช่ไห ม, มหรืออย่างมันก็จะมีวัสดุบางอย่างที่ดูดกลืน คลื่นเรดาร์ได้ดีนะครับมันคือวัสดุอะไรคะพี่บงไป็งเขาเรียกวัสดุกลุ่มเรดาร์แอบซอร์แบนต์มาทเรียลนะครับพวกนี้มันมีหลายอย่างมากมันมีสมบัติเชิงไฟฟ้าไดอิเล็กทริกแบบนี้นะฮะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมเชิงวัสดุที่ใช้ดูดกลืนเรดาร์ซึ่งมันไม่ได้ดูดกลืนสมบูรณ์นะไม่มีอะไรดูดกลืนได้อย่างสมบูรณ์แต่จากที่ควรจะเห็นเครื่องบินแบบสมมติว่าใหญ่มากๆก็อาจจะเปรียบได้กับนกหรืออะไรแบบนั้น ซึ่งซึ่งไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ดูไม่เป็นเป้าอะไรนะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกแบบรูปร่างให้มันเป็นแบบนี้ครับออืืมมสังเกตไหมว่ามันต่างจากเครื่องบินที่ที่เรานั่งไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศใช่พอดูแล้วมันเหมือนอะไรรู้ไหมพี่เหมือนเหมือนที่เราพับจรวดเล่นตอนเด็กอะเอยเอรูปทรงอ่ะเออมันมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมไอตัวเนี้ยกับตัวนี้มันมักจะเป็นริมเรียมเหมือนกับคือมันไม่โค้งออ่ะืม คือเครื่องบินที่เรานั่งอะครับหัวก็โค้งลำลำตัวของของเครื่องบินลําเครื่องบินเองก็เป็นคล้ายๆทรงกระบอกคือโดยรวมถ้าไม่นับปีมก็เป็นทรงกระบอกใช่ป่ะแต่เครื่องบินสเตลเนี่ยมักจะเป็นแผ่นแล้วก็หักมุมแบบดิบๆไปสเปซเดอร์ดูจะเพราะว่ามันมีรูปร่างหลายแบบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นอแล้วถ้ามีเหลี่ยมมีมุมก็จะหักแบบดิบๆไม่ไม่ทำให้มันคมๆเป็นไม่ได้แบบหมีมนอเพราะอะไรเพราะอะไรค่ะเพราะว่าถ้าโค้งอะฮะ คลื่นเรดาร์ปล่อยไปพอเจอของโค้งอ่ะมันจะต้องมีบางส่วนที่สะท้อนกลับมาที่เดิมได้ลองจินตนาการถึงตอนที่เราขับรถไปในซอยนะฮะซอยที่แบบมันแคบแคบแล้วมันมักจะมีกระจกเป็นเสาแล้วก็มีกระจกตั้งอยู่ว่ามีรถตรงนั้นมีรถไหมจุกมุมอับสายตาใช่ไหะไอ้กระจกตัวนี้มันก็โค้งใช่ไหมซึ่งมันก็จะคอยสะท้อนตรงนั้นตรงนี้ของของซอยให้เราเห็นได้ กระจกเนี่ยยิ่งโค้งมันก็ยิ่งสะท้อนหลายมุ ม, มใช่ไหมฮะ ม, ม, มันก็จะมีบางส่วนของของเรดาร์ที่เด้งกลับมาที่เดิมทําให้ถูกตรวจจับได้หรือไม่ก็กระจายเคลื่นอนเรดาร์ออกไปโดยรอบอแต่ถ้ามันมีลักษณะเป็นแผ่นเนี่ยมันชิ่งเข้ามามุมต่อกระทบมันเท่ากับมุมสะท้อนมันก็มีน้อยส่วนมากที่มันจะมีโอกาสเด้งกลับไปในจุดที่เรดาร์ปล่อยออกมาเพราะว่าจุดที่ปล่อยเรดาร์ก็มักจะเป็นจุดที่มีเครื่องตรวจจับอยู่นะฮะแต่ประเด็นก็คือ พอชิ่นเข้ามาปุ๊บมันไม่กลับทางเดิมมันมักจะชิ่นออกไปทางอื่นเลยอ๋อก็คือพยายามเขาก็ออกแบบให้มันตอบโจทย์เรื่องนี้แหละในการที่จะแบบว่าไม่ต้องโดนเรดาร์แบบตรวจสะท้อนกลับได้ใช่คือพยายามให้เคลื่อนเรดาร์ที่วิ่งเข้ามาชิ่นไปที่อื่นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อนะครับคือการออกแบบก็มีผลแต่ไม่มีผลไม่ใช่ในเชิงของการมองเห็นแต่ว่าในเชิงของการแบบว่าเรื่องของเรดาร์หลบเรดาร์ใช่แล้วก็มีอีกรังสีหนึ่งใช่ไหมคะ คลื่นนึงคือคลื่นอินฟราเรดอินฟราเรดคืออะไรอินฟราเรดเนี่ยคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันมักจะมันบางทีก็เรียกคลื่นความร้อนคือวัตถุที่มันเอมีความร้อนเนี่ยมันก็จะมีอินฟราเรดที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเนาะแล้วก็อะไรที่มันมีอุณหภูมิสูงๆอะ่ะมันเป๋ะเป็นอินฟราเรดทั้งนั้นอแล้วก็มันยากที่จะหลบอนะครับอย่างตัวเราก็เปล่งอินฟราเรดออกมาถ้าเรามีเครื่องตรวจจับอินฟราเรดในช่วงที่ สอดคล้องกับอินฟเราที่มนุษย์เปล่งออกมาแล้วก็ตรวจจับมนุษย์ได้ใช่ไหมที่นี้เครื่องบินอย่างเงี้ยร้อนสุดก็คือไอพ n e อ๋อตัวที่จุด p อพ n นของมันใช่ไอพ่นตรงตรงตร ง, ตรงท้ายเครื่องอนะฮ ะ, ะแก้ยังไงคำตอบก็คืออย่างรูปนี้เลย อ, อืมเขาก็เอาไอพ n นเนี่ยไปไว้ในจุดที่เครื่องตัวจับมองไม่เห็น บ้างก็เอาไว้บนอันนี้คืออยู่ข้างบนเครื่องใช่ไหมคือเอาไว้ข้างบนเครื่องตรวจจับอยู่ข้างล่างก็มองเห็นยากหรือบางรุ่นถ้าหางเครื่องมันมีปีหางเครื่องนึกถึงหมอลำนึกถึงลูกทุ่งกันนะถ้าทางทางเครื่องที่มันจะมีมันจะมีหางของมันอ่ะบางทีก็ออกแบบหางอ่ะให้มันบังตัวไอพ่นไว้แต่ความร้อนมันมันอย่างนี้ก็บังได้เหคะ ไอ้ถามดีคือมันอาจจะบางไอพ่นได้<ม>แต่สุดท้ายอากาศที่มันพ่นออกมา ม, มันบางไม่ได้ใช่ป่ะ<ม>เออยังไงมวลอากาศที่พ่นปูดออกมา ม, มันเป็นล้ำออกมาร้อนมากมไอ้ตรงนี้ทำยังไงดี<ม>เออมันเป็นปัญหาที่ ท, ที่ที่ต้องแก้ยากอ่ะอันเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องอินเฟลนะฮะวิศวกรบางทีก็ใช้วิธีการพยายามทำท่อไอพ่นให้มันเป็นแบนด์ อ, อย่างในรูปเนี้ย บางทีมแทนที่จะทําท่อไอพ่นให้มันเป็นทรงใหญ่ๆใช่ปะก็ทําเป็นแบนๆพอทําเป็นแบนๆ น, นะฮะไอพ่นที่ออกมามันก็มีพื้นที่ผิวเยอะอ ม, มันก็สัมผัสอากาศที่เย็นรอบๆได้เร็วแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดเป็นร่องรอยความร้อนเนี่ยแทนที่จะร่องลอยโอ้โ oh, ห oh, ยาวเป็นปื้ดเลย ม, ม, มันออกมาปุ๊บแปบ๊บเดียวก็เย็นละมันก็เห็นแค่จิ๊ดเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันมีข้อเสียนะ ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับน้องฟังการที่ท่อไอพ่นมันเป็นแผ่นแบนๆมันทำให้สร้างแรงขับได้น้อยอคือนึกอ อ, อกต่อการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของมันใช่ใช่คือเครื่องบินรบเนี่ยจริงๆเขาอยากจะให้มันเร็วที่สุดอืดังนั้นแรงขับก็ควรจะต้องเยอะอืแต่แรงขับเยอะมันก็หลบอินฟล่าทไม่ค่อยได้ก็เลยต้องเน้นหลบให้ได้แต่พอเน้นหลบให้ได้แรงขับก็น้อยไปตามตัว เนี่ยมันเนี่ยการออกแบบมันเลยซับซ้อนและถ้าเกิดว่ามันยังมีอีกปัญหาหนึ่งนะที่สําคัญมากคือไอพ่นร้อนๆเนี่ยตอนแรกมันมักจะอยู่ในท่อที่ใหญ่แล้วมันก็วิ่งมาในท่อที่เล็กลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอร้อนๆเนี่ยมันมักจะปะทะกับผนังท่อแรงมากทําให้ไอตัวเนี้ยมันร้อนเกินไปซึ่งก็ต้องไปหาวิธีการจัดการกับความร้อนตรงเนี้อีกจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การลบอ่ะอืมแก้ปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็โผ่มันตัวตุ่นอ่ะปุ๊กปุ๊กอยตบเออบางทีก็มีการออกแบบแบบนี้ด้วยนะคืออ๋อมันร้อนใช่ไหมฉีดอากาศเย็นใส่เลยออืตั้งแต่ในท่อเลยให้ออกมามันไม่ร้อนมันไม่ร้อนมากแต่ก็ทํายากอ่ะครับคือนั่นแหละประเด็นผมคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสงครามอ่ะหนึ่งคือมันมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่น่าทึ่งอยู่ออืนะแล้วอย่างที่สองก็คือ การออกแบบพวกนี้อย่างเช่นประเทศมหาอำนาจนะครับเขาใช้เงินในการสร้างเทคโนโลโยีตรงนี้หรือวิจัยพวกเนีป้ปีปีหนึ่งมหาศาลเลยเพราะว่าพวกเทคโนโลยีพวกนี้มั น, มนพัฒนาขึ้นตลอดอนะฮะเอาจริงๆอันนี้นอกเรื่องค่ะแล้วนอกจากการพัฒนาในเชิงของการนําให้การอาแอบเรดาร์ของมันเก่งขึ้นเนี่ยไอการตรวจจับเนี่ยมันมีวิธีอื่นๆนอกจากพวกรังสีเมื่อกี้ที่เราคุยกันพัฒนาขึ้นมาด้วยไหมคะ อ๋อมันมีหลายทางเนาะก็การพยายามมองหาให้เจอเนี่ยก็เป็นต้นว่าตัวตรวจจับเนี่ยจะต้องละเอียดยิ่งขึ้นนะครับสามารถตรวจจับแม้กระทั่งสัญญาณเล็กๆได้สัญญาณเล็กๆเนี่ยบางทีก็กลืนกับสัญญาณอื่นๆที่ททเป็นคลื่นอื่นๆเนา ะ, ะพอมันกลืนมากๆเข้าก็ดูยากแล้วแต่ว่ามันก็จะต้องมีโปรแกรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปสามารถขยายให้ตัวสัญญาณเรดาร์ที่ไปโดนสเตลเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ย ขยายให้ได้ว่าตัวนี้มันไม่ใช่คลื่นอื่นๆนะมันมเป็นสัญญาณเรดาร์ของเราที่ปล่อยออกไปโดนสเตลแล้วก็แปลผลตรงนั้นออกมานะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีทั้งเทคนโนโลยีกับการตรวจจับเนาะแล้วก็เทคโนโลยีกับการแปลผลสัญญาณพยายามดึงสัญญาณ น, นั้นออกมาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไอ้ตัวนี้มันใช่สเตลหรือเปล่าอะไรแบบนั้นอแต่อย่างที่บอกคนที่พยายามตรวจจับก็พยายามตรวจจับสัญญาณที่อ่อนที่สุดตีความให้แม่นยําที่สุดไอ้อคนที่หลบ ก็พยายามหลบให้ดีที่สุดแต่คนตรวจจับในมุมหนึ่งเขาก็มีเครื่องบินลบของเขาเขาก็ต้องพยายามหลบศัตรูด้วยนะดังนั้นคืออย่างที่บอกสองอย่างเนี้ยมันเป็นอะไรที่ขับเคี่ยวเขาเรียกว่าห้ามหันกันน่ะคนหนึ่งพยายามเก่งก็พยายามเก่งขึ้นมาด้วยด้วยกันโดยตลอดนะแต่ว่าอันอันนี้ที่เราทำตอนสงครามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบชอบสงครามนะเรื่องนี้มันแสดงเห็นอะไรรู้มผมมองว่าสงคราม เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากอคือเรื่องชีวิตมนุษย์อะสิ้นเปลืองอยู่แล้วออืแต่การพยายามสร้างอุปกรณ์สุดไฮเทคพวกนี้ขึ้นมาโอเคมันน่าทึ่งก็จริงแต่สุดท้ายมันเหมือนถูกสร้างมาพังเหมือนกันนะอนื่องออกมาคือสุดท้ายของพวกเนี้ยมันไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็วางไว้โอ้เจ๋งจังเลยอะไรแบบเนี้ย ม, มันกลายเป็นของที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเออวันหนึ่งมันก็จะต้องพังเพราะการทําสงครามมันมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งแต่ก็ น่าเศร้าไปพร้อมๆกัน อ, อย่างนี้ตอนต้นเราคุยกันว่านอกจากเครื่องบินมันก็จะมีส่วนที่เป็นแบบว่ารถถังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมการทำงานของสเตลส์ในส่วนอื่นๆมันเหมือนกันไหมคะก็คล้ายๆกันอาศัยหลักการเดียวกันถ้าไปดูรถถังหรือเรือรบที่เป็นสเตลส์นะฮะทรงมันริมเรียมหมดเลยนะอใช่หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันครับแล้วนี่ แบบไม่ได้ถามเอาฮานะหมาเพราะว่าเราเห็นแฮร์รี่พอตเตอร์มีผ้าค ล, ลุมล่องหนสเตลเทคโนโลยีสามารถเอามาใช้ในการทำให้ผ้าคลุมล่องหนเป็นจริงได้ไหมคะผมท้าท า, ายคื อ, อการจะหาวัสดุอะไรสักอย่างมามาเบนแสงที่อยู่ข้างหลังให้มันออกมาสู่ด้านหน้าจนจนไม่เห็นตัวเราแต่เห็นข้างหลังอย่างเงี้ยคือถ้าเอาผ้ามาคลุมแล้วเดินะ มันก็ฮาโรวีนใช่ไหมคือมันเห็นอยู่แล้วว่าคุณคุณคลุมผ้าเดินแต่ถ้าคลุมล่องหนแบบฮีริพอสเตอร์หรือในไซไฟคลุมปุ๊บมันล่องหนเลยอะคือมันมันทะลุผ่านคนที่คลุมไปผมว่าโดยหลักการมันมันน่าจะได้นะแต่ว่ามันคงท้าทายเพราะว่าเออมันต้องอาศัยการสะท้อนหรือหักเหหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เจาะจงมากๆมันถึงจะสามารถเป็นแบบนั้นได้ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ในทุก ทุกพื้นผิวทุกสถานการณ์ทุกความสว่างทุกอะไรผมว่ามันมันน่าจะจะยากตรงนั้นอยู่อืมอค่ะพอคุยกันมาถึงตรงนี้นะพี่บ่งแป๋นรู้สึกว่าก่อนเราจะไปล่องหน่ะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราน่าจะคุยกันได้เรื่องของเครื่องบินอมันบินได้ยังไงมันก็หนักนะอะไรอย่างเงี้ยมันสู้กับแรงโน้มถ่วงแรงเสียดทานใดใดได้อย่างไรอะไรเงี้ยก็ ก็เป็นอีกหัวข้อที่น่าสนใจมันสร้าง<น>แรงยกได้อย่างไรเอ อ, เ อ, อทำไมมันบินได้คใครสนใจต้องต้องเม้นมาแล้วล่ะคะเราต้องขอแรงเชียร์หน่อยคือจะแบบว่านำเสนอหัวข้อใหม่ๆนะคะครับใครที่ฟังตอนนี้เราเคิดเห็นยังไงลองแชร์กันเข้ามานะคะจริงๆน่าเสียดายที่เราพูดกันตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องของผู้ล่ากับผู้ถูกล่าแล้วก็ใช้สติปัญญาให้จะคิดวิธีการให้จะอยู่รอดเนาะแต่เพียงแค่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าความรู้เหล่านี้ยมันใช้เพื่อล่าแล้วก็ถูกล่าในแง่ของคนอ่ะมันก็รู้สึกว่า น่าเสดายไปหน่อยแ้วก็ถือว่าเราได้มาทำความเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในทางการรบการทหารต่างๆนะคะใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงลองแชร์กันนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe นะคะ YouTube Channel ของ The Standard Podcast รวมถึงติดตามใดๆในโลกร้นฟิสิกส์ได้ในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears